อนาปฏิวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือ473 1. ภพิกูุเดินไปด้วยหมายใจว่าจากฟังคำของพิกูุเหล่านี้แล้วจากงดจากเว้นจากระงับจากกรดเปลื้องตัว 2. ภพิกษุวิกลจริต 3. ภพิกูุต้นบัญญัติอุปัสุติสิกขาบทที่ 8. จบ